บรรยากาศคืนนี้น่าพิเศษมากนะแต่กว่าเราจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากทีเดียวใช้ความอดทนแล้วก็ได้มาด้วยความเหนื่อยยากก็ดูไม่ค่อยมีใครบ่เลยนะทั้งที่ เส้นทางที่เราเดินตลอดวันนี้ยาวมากเนะี่ยมันมากกว่าที่ได้คาดการาเอาไว้นอนยัง่งเดี๋ยวคือมันก็กสอนเรานะว่าอะไระไรก็ไม่แน่ น, น, นอนเนะีอยู่เส้นทางก็ยืดออกมาเกือบสิบกิโลหรือว่าสิบกิโลกว่านะ มันยืดมาแบบที่ไม่ทันรู้เรื่องเลยนะสมมติว่าคะแนนเต็มสิบนะเราคิดว่าเราวันนี้เราทำได้คะแนนเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่นะสิบส <12. S 1> องิบสองนะนะอ๋อเอาต่มาให้เต็มสิบเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพวกเรานอกจากมีความเพียรแล้วก็สู้ไม่ถอยแล้วนะก็ยัง อ, อย่างที่ว่านะคือไม่ปรี ป, ปากบ น, นที่ได้เคยบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นของธรรมญาติตรานะอะไรที่ก็ตามที่เกิดขึ้นเราเรในระหว่างมาเดินธรรมญาติตรานให้เรายอมรับ ยอมรับทุกอย่างที่เป็นธรรมญาตรามแล้วพวกเราก็ก็ยอมรับนะไม่ปีปากปนก็เพียงแต่ว่าพยายามที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะวันนี้เราเดินเนประมาณถ้ารวมแล้วก็ประมาณเจ็ดชัง่งเกือบเจ็ดชั่งโมงนะช่วงเช้าก็เก้าถึ ง, งเที่ยงนะช่วงบ่ายก็เกือ <laughs> บสี่ชั่งโมงนะ ระยะทางก็คิดว่าประมาณ 22-23 ม, มกิโลเมตรกำหนดเดิมเนี่ยมัน3มกิโลใช่ไหมตามแผนภาคมันยื่มาเกือบ20เกือบิกโลนัาว่าทำ ร, ร, รายสถิตินะเพราะว่าเราไม่ธรรมยตราไม่ว่าปีไหนไม่เคยเดินยาวถึงขนาดนี้นะที่ยาวที่สุดก็คือปี 5, 5้าก็เกือบ20 เขาใกล้ๆกับเมื่อวันซืนนะเมื่อวันซืนนี่ก็สนะิบแปดสิบเก้านะก็ก็ใกล้ๆกันแต่คิดว่าวันนั้นเนี่ยเมื่อวันซืนคิดว่ายาวที่สุดแล้วนะไกลที่สุดแล้วที่ไหนได้กับเป็นวันนี้นะ <c oughs> แล้วก็วันนี้นี่ที่จริงก็ยากกว่าเมื่อวันซืนอยู่หลายด้านคือแดดก็ร้อนกว่าแล้วก็เมื่อวันซืนนี่เราลงเร า, เราเดินลงเขาก็สามสี่กิโ ล, โลนะ แต่วันนี้นี่ไม่มีการเดินลงเขาเลยนั้นเมื่อเรามาถึงนี่แล้วก็นับว่าหน้าภาคภูมิใจมากนะคนที่พลาดหวังความภาคภูมิใจที่จะได้จากเมื่อวันซืนนะวันนี้ก็ได้รับไปเต็มๆไปเลยนะไม่ต้องเรยไม่ไม่ต้อ ง, องอรู้สึกน้อยใจนะ้อต่ำใจนะ ก็เร oh oh, ียกว่าเป็นประวัติเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเกียรติประวัติก็ได้นะของพวกเราที่มาเดินธรรมยราปีนี้เมื่อประมาณปี5้าสเนี่ยคือ3าปีที่แล้วเนี่ยนะนั่นก็เคยมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะก็คือว่าเข้าป่าแล้วก็หลงป่ากันแล้วเราก็เลย ตกลงพร้อมใจกันเรียกรุ่นของเราว่ารุ่นหลงป่านะมีใครบ้างที่เป็นรุ่นหลงป่าที่มาปีเนี้ยยกมือเลนั่นแหละพวกรุ่นหลงป่านี่เวลาบอกว่ารุ่นหลงป่านี่ก็จะรู้เลยนะว่าหมายถึงอะไรนะปีไหนนะแต่ของเรานี่ก็ก็เรียกว่าจะมีเอกลักษณ์เหมือนกันนะก็หวังว่าจะไม่หลงป่านะ ถ้าพรุ่งนี้แต่ว่าที่เราได้ทำได้ผ่าไปแล้วเนี่ยถ้าจะเรียกชื่อรุ่นเราก็อาจจะเรียกทําน้องว่าเนี่ยรุ่นเดินไกลใจสู้นะ <c oughs> เดินไกลใจสู้ว่าเราเดินไกลที่สุดเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าปีปีข้างหน้าเนี่ยจะทำรายสถิตินี้หรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆพูดแต่ก็ไม่กล้านะจะให้มาเดินขนาดยี่สิบกว่ากิโลเนี่ยจ่ายไม่ถึงน <c> ะ <oughs> แต่พวกเราก็เดินมาถึงทนะั้งนี้ก็มี คนหลายวัยมีเด็กนะห้าขวบมีคนเท่าคนแก่อันนี้ก็แต่ว่าก็พากันมาจนถึงที่นี่ได้นะและที่พิเศษอย่างนี้คือว่าเราได้มาค้างแรมในป่าไม่เคยมีรุ่นไหนปีไหนได้มาค้างแรมในป่าแบบนี้เลยอย่างมากก็ ไปนอนตรงบริเวณที่ใกลชุมชนอย่างเช่นมอหินขาวหรือว่าป่าปงพันปีที่เราได้ได้ผ่านมาแลนะ้วเมื่อวันที่สองนะที่ ท, ที่ไม่มีการค้างแรมในป่ามาเลยเนี่ยในช่วงสิบสี่ปีที่ผ่านมาก็เพราะมันยากการจัดการเพราะถ้าหากว่ามาอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ที่ไกลไกลเนี้ยนะ ก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องห้องน้ำแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตั้งใจที่จะทำเพื่อบูชาครนะูตอบแทนคุณก่อนหลวงพ่อคำเขียนก็เลยอยากจะให้การเดินธรรมยาตาปีนี้นะมีโอกาสในการภาวนามากขึ้น พอที่ผ่านมาเนี่ยเวลาภาวนาเนี่ยน้อยนะจริงเวลาภาวนามันก็มีอยู่นะแต่ว่าเป็นการภาวนาแบบที่ไม่ไม่ประสานไปกับการเดินนะหลายคนก็อาศัยการเดินนะี่ยเป็นการภาวนาแต่ว่าที่จะเป็นการภาวนาแบบเปเรี่เวกเนี่ยหรือว่าปฏิบัติในรูปแบบเนี่ย ก็ไม่ก็มีน้อยนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาเยอะนะแต่ปีนี้เนี่ยนะก็ตั้งใจที่จะทำอย่างที่ว่าให้มีการภาวนาเพื่อบูชาครูคือหลวงพ่อคำเขียนที่จริงเราเราตั้งใจอชูประเด็นนี้มาก่อนที่หลวงพ่อท่านจะมรณภาพนะ เพื่อเป็นอรารยาบูชากับท่านแล้วท่านท่านมารณภาพก็ถือว่าก็เป็นโอกาสที่เราควรจะภาวนาให้กับท่านเพื่อให้เรียกว่ า, าให้ธรรมญาตราปีนี้เนี่ยมันมันมีความหมายครบทั้งสองด้านอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่วันแรกๆว่าหลวงพ่อตั้งเคยพูดว่าสิ่งหนึ่งของหลวงพ่อเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติท่านก็ทําเรื่องนี้มานาน อีกเสี้ยนึงของหลวงพ่อคือการสอนกรรมฐานนะหลวงพ่อถ้ามีสองเี่นี้ควบคู่กันโดยตลอดอันนี้ประเด็นนี้ก็อาจารย์ประมวลก็ได้พูดเอาไว้นะอันนี้ธรรมยาตาเนี่ยก็ปีนี้ก็อยากจะให้มันมีทั้งมิติของการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าการดนนรงเพื่อสร้างจิตสํานึกรักธรรมชาติแล้วก็ให้มีเรื่องของกรรมฐาน ซึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนาธรรมชาติอีกด้านหนึ่งอีกมิติหนึ่งเป็นธรรมชาติด้านในธรรมชาติภายนอกเราก็รักษาธรรมชาติภายในเราก็ไม่นิ่งดูได้ก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยเราจะให้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือการที่ได้ม า, อานอนในป่า ไอตอนที่ไปเมื่อวันที่สองเนี่ยเราก็เราก็นอนอยู่ที่ป่ากปรงแต่มันก็ยังไกลนะเป็นแค่เฉียดเฉียดป่ากปรงพันปีมันยังไม่ใช่ป่านะมันก็เฉียดไปไปมากแล้วแต่วันนี้นี่เราก็ได้มาค้างแรมกันในปา่าเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้เราได้มีโอกาสมีเวลามีบรรยากาศสำห ร, รับการภาวนาภาวนามากขึ้น แล้วก็แล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะไปตลอดเช้ามันมุ่งขึ้นปกติธรรมยาตราเนี่ยนะพอถึงตอนเช้าเก้าโมงเรก็เคลื่อนแล้นะไม่มีปีไหนที่เราจะจะอยูอ่อยู่ยาวนะไปถึงเที่ยงหรือบ่ายแล้วก็ค่อยๆออกเดินทาง แต่เราอยากจะในไหนเรามาถึงนี่แล้วนะได้สัมผัสกับธรรมชาติก็อยากจะให้เรามีเวลาและบรรยากาศสำห ร, รับการภาวนาให้มากขึ้นนะสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็นะก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีลำธารไหลผ่านลำธาร น, นี้ก็ มีที่มาจากเขาสองลูกนะคือภูหยวกซึ่งเราจะเยือนนะไปครั้งแรมวันพรุ่งนีนะ้และเมื่อเราขึ้นไปถึงนั่น <c oughs> ไปที่ผาศิวิไลแล้วเรามองลงมาข้างล่างนีง่เราจะเห็นทัศนียภาพซึ่งคงจะให้ความรู้สึกที่ท พิเศษกับเราเพราะว่าทัศนียภาพที่เราเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาเท่านั้นแต่ว่าเราได้เคยเดินผ่านมาแล้วนะเราได้เจอทุกก้าวตลอดเส้นทางของทัศนียภาพที่เราจะแลเห็นพรุ่งนี้เนี่ยนะมัน มันเป็นสิ่งที่เราได้ใช้น้ำพักน้ำแรงของเราพาตัวเราแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยจากมุมสูงนะแล้วเราลองจินตนาการดูว่าหน้าตา ม, มันจะเป็นอย่างไรเมื่อเรามองจากมุมสูงนะคิดว่าหลายคนก็คงจะจินตนาการไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ลองนึกเอาไวส้สะหน่อยนะว่าเออถ้าเรามองขึ้นมา ถ้าเรามองลงมาจากผาสีวิไลในวันพรุ่งนี้ให้ตรงจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถ้ามองจากมุมสูงหรือว่ารวมไปถึงเส้นทางอย่างเช่นบ้านนาไฮหรือว่าเส้นทางที่เราเดินมาด้วยความเข้าใจว่าเจดกิโลนะจากฝากทางบ้านานาไฮเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะแต่ลองมองมาจากข้างล่างจะเห็นนะจะเห็นแล้วก็คงจะเห็น เห็นเห็นเนินเขาลูกที่เราลูกเลที่เราเดินผ่านมาแล้วก็บ้านพาอประจักษ์แล้วก็ไล่ไล่มันอะไลอ้อยนะก็คงจะให้ความรู้สึกที่พิเศษเพราะว่าปีกอนกอนเขาก็เพียงแค่มาเห็นแต่เขาไม่รู้สึกผูกพันเพราะว่าเขาไม่ได้เดินไม่ได้ทิ้งรอยไม่ได้ทิ้งรอยเท้าแล้วก็ไม่มีหยดเหงื่อติดตัวมาด้วยนะ แต่ว่าไอ้ที่เราจะเห็นพวกนี้นี่เราจะรู้สึกซาบซึ้งนะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เราได้เดินผ่านมานะอาจจะอาจจะมีการบวนในใจขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าถึงตอนนั้นพอวันพุ่ ง, ล, งลุ้งขึ้นนี่เราก็วันพุ่งนี้เราก็จะอาจจะยิ้มให้กับตัวเองว่าเออเราผ่านมาไดา้เร า, า จ, จะไม่เชื่อสั่งโหเราเดินมาไกลขนาดนี้เฉยเลยนะ จริงเราก็เดินมาไกลทีเดียวนะถ้าถ้าถ้าอันนี้พูดถึงสองสามวันที่ผ่านมานะ เ, าเมื่อเราลงเขาจากบ้านบอ่บอทองคามาเนี่ยนะเราก็เห็นภู้คียอยู่ไกลๆนะอยู่ทางไกลๆอยู่ด้านทิศเหนือนะมาถึงตอนนี้เนี่ยภู้คียก็อยู่ทางด้านทิศใต้เราซะละแล้วกเ็เรียกว่าเราเดินผ่านเขาหลายลูกทีเดียวนะ เราคงไม่คงไม่คิดว่าเราจะเดินไกลกันมาขนาดนี้ในช่วงเวลาสี่ห้าหกเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็พูดไปค้างไว้หน่อยว่าลำน้ำเนี่ยลำธารที่ไหลผ่านเนี่ยนะมันมีที่มาจากหนึ่งภูหยวกสองภูหลงภูหลงก็คือที่ตั้งวัดป่ามหาวันนะคซึ่งมันก็จะว่าไปมันก็อยู่ในทิวเขา เดียวกับภูคีนะถ้าเรามองจากภามสิวิลัยพรุนี้ก็จะเห็นว่าภูหลงเนี่ยนะมันก็เป็นอยู่เรียกว่าปลายด้านปลายสุดด้านซ้ายด้านตวนออกของเทือกเขาทีนะ่มันไปเชื่อมกับภูคีซึ่งอยู่ด้านที่ตวนตกภูหลงนี้ก็เป็นต้นน้ำช่องหนึ่แล้วก็เป็นป่าดงดิดแรงส่วนผู้โยก เราก็จะเห็นพวกนี้ว่ามันไม่ใช่ป่าลุงดิบเลยนะมันเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรังนะเ ต, งงเต็งรังนะนะป่าสองชนิดมันมันเป็นมันอยู่ใกล้กันได้นะทั้งที่ทํามาภูมิภู ม, มิประเทศภูมิอากาศไม่แตกต่างกันเลยนะแต่ว่ากลับเป็นป่าคนละชนิดไม่ไกลาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเนี่ยเขา เมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่ไล่หรือยี่หปีที่แล้ว เ, เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านนีเขาใช้ในการลำเลียงไม้ที่ตัดลงมาหูหลงเนี่ยมันเป็นป่าที่เป็นป่าพืนสุดท้ายที่ที่อุดมสมบูรณ์นะเพราะว่ามันรอดพ้นจากเงื่มมือของบริษัททำไม้เมื่อสี่สิกว่าปีที่แล้วมันชือหูหลงก็เพราะว่ามัน หลงเหลือหรือหลงหูหลงตาก็แล้วแต่หรือว่าอาคนเข้าไปแล้วหลงแต่เขาเจอเป็นพ่อมันหลงหูหลงตาหรือว่ามันหลงเหลืออู้ลุอื่นเนี่ยก็โดนตัดนโดนตัดไม้ต้นใหญ่โดนตัดไปเยอะแต่ว่าแต่ว่าหู้หลงนี่เหลือเหลืออยู่อย่างคนเรียกอุดมสมบูรณ์เพราะแทบจะไม่มีใครมาแตะต้องเลย อาตมาเนี่ตอนที่มาภูหลวงปีสามสามเนี่ยก็ได้มีได้เดินป่านะกับกับนิคมนิคมพุทธานะนิคมพุทธานี่เขามาเดินป่าเขาความมาเยี่ยมแล้วเขากช็ชวนกันไปเดินป่าก็ไปเจอดงต้นยางใหญ่หลายคนโอบเนี่ยเรืยอเป็นดงเลยนะก็คือว่ามันมีหลายต้นบ้างเลย ประมาณอาจจะว่าเป็นร้อยต้นได้นะแล้วแต่และต้นนี่หลายคนโอบบางต้นก็ถูกโค่นไปแล้วตอนนี้คนก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ตอนหลังก็ไปลงมากกโพสแต่ว่าน่าเสียดายที่ดงต้นยางเนี่ยมันถูกไฟเผาเพราะว่ายางนี่เป็นน้นไม้เนื้ออ่อนพอโดนไฟเผามันก็ไม่เหลือเสียดายมากแต่ว่าก็ยังมีไม้ใหญ่ๆอีกมากนะ ปรมาปีสามสานจะสมัครจาได้เนี่ยกลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงตัดไม้นะเป็นเสียงเขาเขาปล่อยไม้ลงมาจากหน้าผาเขาไม่มีเขาไม่สามารถที่จะขนมาแบบเรียกว่าใช้รถนะเพราะว่าหน้าผามันชันดังนั้นก็ตัดไม้เสร็จเขาก็เขา ก, เขาก็จะขนมาจ่ถึงหน้าผาแล้วก็ทิ้งหน้ า, าทิ้งไม้ลงไปที่ ทิ้งไม้ลงไปตามทางของหน้าผาน ะ, นะ่แล้วก็ทิ้งลงมาก็จะเห็นเสียงไม้กระทบกันใน ต, ตรงบริเวณนี้ก็จะเมื่อประมาณสักสามยี่สิกว่าปีก่อนก็จะมะีร่องรอยของการปล่อยไม้ลงมาแล้วเขาไม่กลัวไม้แตกนะทั้งที่ว่ามันตกลงมานี่สูงมากนะแต่มันมันไหลามาตามทางนะแล้วก็ชาวบ้านก็มารอรับรอรับที่ที่ ต, ตีนเขาแล้วก็มีรถคนไปเพราะนั่นคือประมาณปีสามสามหลังจากที่ป่าหลังจากที่ไม้ที่ในป่าที่อื่นเนี่ยมันหมดไปแล้วเขาก็มาทุกที่ทุกทางก็มาที่พูห ล, ลงนั่นคือปีสามสามสามสี 3, 3่สามห้าแต่ก็ยังดีนะที่ที่ทางเสื่อพรานเนี่ยทางฐานพรานเนี่ยเขามาเขาขึ้นมา แล้วเขาก็มากวดขันบางทีก็มีการจับอจับกลุ่มแต่ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะชาวบ้านก็หนีแต่ก็ได้ไม้ไม้ไปเยอะแต่ก่อนนี้ตัดไม้กันใกล้ๆกับใกล้ๆกับที่กุฏิพระเลยนะเพราะว่าพระไม่ค่อยอยู่อันแล้วก็พวกนี้เขาก็สู้นะจําได้ว่าปีสามสามเนี่ยประมาณ น, นอนประมาณที่งประมาณที่ยงคืนเนี่ย ก็เห็นไฟมันลุกคือเห็นไฟเนี่ยจากที่มันสะท้อนจากสังกะสีหลังคาสังกะสีเรานึกภาพแล้วเรานอนเนี่ยนะแล้วก็มีการจุดไฟตรงเถาบัดใดแล้วไฟมันก็สะท้อนไปที่สังกหลังคาสังกะสีอัตมาตื่นมาก็ที่ทำไมเห็นเห็นมีแสงสว่างตรงเหนือหัวเรานะที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นไฟสะท้อนมาจาก ไปสะท้อนที่หลังคาสังกษีก็ลุกมาดูประกอบมันมีการจุดคล้ายๆเป็นเป็นยาที่ทําให้สลบนั่นแหละแล้วก็มีแถม ม, มีมีหนังคังคกแล้วก็มียันด้วยนะไม่รู้คือคงเป็นประเภทว่าเป็นสูตรพิเศษนะเ <c oughs> พื่อที่ทําให้ตมาหลับหรือไงไม่รู้นะ <c oughs> แล้วก็เพลินตื่นมาทันแล้วก็ เนื่องจากว่าเป็นพวกใหม่ประสบการณ์ก็เลยรีบดับที่จริงถ้าฉลาดสักหน่อยก็จะรอนะก็จะรอจนกระทั่งไฟดับแล้วก็ดูว่าใครโผล่มาบ้างเพราะเราเพราะเราก็จะได้รู้ว่าเป็นใครซึ่งก็คงเป็นคนที่เรารู้จักด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตกใจน่าว่ามีใครมาเผากุฏิที่จริงไม่ใช่เขาเขาจุดยาเพื่อที่จะจะทำให้ให้หลอดศหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะ ต้องดูเขามุ่ไล่อะไรแต่ตอนนี้นเป็นช่วงที่เร า, เาทางพรานเนี่ย เ, เริ่มจริงจังกับการาจัดการอาการต่อต้านการลักลอบตัดไม้ในวัดในผู้หลงกันนะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฐานพรานแต่ว่ามันมาเป็นช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็บางคืนเราก็ต้องไปไปซุ่มนะไปซุ่มตรงที่เขาจะมีมี ไปซุ่มตรงทางผ่านที่คนเนี่ยก็จะมาตัดไม้นะล้วก็ซุ่มแล้วคอยดูนะว่าเผื่อว่าถ้าเขาผ่านมาเราก็ได้เอาไปใช้สองหน้าไปเลยให้เขารู้ว่า <c oughs> ต่อไปเขาจะมาตัดไม้ง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> แต่กว่าอนไปยิงนะ่งขึ้นคือเราต้องไปค้างแหลมในป่าแล้วก็บางทีก็ไปคอยสกัดจับหรือคอยคอยคอยเอป้องปรามนะ ปองปรามคนที่จะมาตัดไม้บางครั้งเราเจอไม้แล้วเจอไม้ที่ถูกตัดถูกโคน่นนะแล้วเขาเราคิดว่าเขาคงจะมาแหละคงจะมาเอาไม้แล้วก็กางเต้นอยู่แต่ถ่านั้นแหลนะ <_ S 1> เพื่อที่จะรอรอรอรอดูว่าเป็นใครนี่คื อ, อวิถีชีวิตของพับผานะพูดหลงช่วงนั้นนะประมาณสามสามสามสี่เติร์นก็ได้ได้ได้พระหนุ่มนะ เพราะมันก็คือพระเอนะตอนนั้นนี่เรียกว่าแรงดีมากก็เลยช่วยกันแต่ก็ไม่เคยจับใครได้ทักคนเลยนะไม่รู้เขารู้อะ่ะแต่ว่าได้ไม้เยอะนะขนจาได้แล้วเราขนไม้เนี่ยขนไม้แล้วก็ไปซุกไปซ่อนเอาไว้แต่ว่าไม่รู้ไปซุกยังไงเขาก็เจอจนได้นะคนที่ตัดไม้เนี่ยเราไม่มีความสามทานเราซุกแล้วเรามีร่องรอยนะเขาก็มาเอาไม้ไปจนได้นะ แต่นี่สมัยนี้มั น, ม, นมันคือเป็นช่วงที่เรียกว่าการตัดไม้นี่เรียกว่าชุกมากแล้วเราต้องอยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องสู้กันแบบนี้นะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พวกตัดไม้มั่งเขาในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่พอใจก็เลยหาทางใช้เวทมนต์หรือว่าพยายามที่จะทำอะไรกับพวกเรานะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ พวกที่เคยชอบตัดไม้ในในวัดก็ก็ตายไปหมดแล้วก็สุดท้ายคุณตายเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วก็เป็นอันปิดฉากนะคือบางทีเราก็รู้กันนะแต่ว่าเราก็ดูเชิงกันอยู่นะเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมเผชิญหน้าเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ด้วยกันกับชุมชน พรุ่งนี้เราก็คงจะได้ดูนะเห็นสภาพผูนลงจากพระศิวิไลคราวนี้เนี่ยออย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่เราให้มาค้างแรมในป่าเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสภาวนาแล้วก็บรรยากาศเนี่ยคืนนี้ก็พิเศษนะมันเป็นคืนเดือนเพนด้วยนะแล้วก็อน้ําเนี่ยก็ก็มี ไม่ได้ขาดแคลนอย่างที่เราเคยคาดกลัวไว้เพราะว่าปีนี้ผลน้อยมากก็อยากจะให้เราได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยได้ลองสัมผัสกับบรรยากาศที่สงบสงัดเราลองเราลองสมมติเราลองเงียบๆดูนะเราลองเนี่ยอาตมาจะลองลองพักให้แล้วเราลองสัมผัสกับบรรยากาศดูว่าป่าเนี่ยตอนเนียเป็นอย่างไร ได้ยินเสียงน้ำไห ม, มเสียงน้ําพัดเอ่อเสียงน้ําไหลเบาๆเนี่ยบรรยากาศนี่มันมันวิเศษมากเลยนะโดยเพราะคนที่อยู่ใกล้อ่าลำลำห้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ใช้บรรยากาศอันนี้ในการภาวนาเสียงของลำห้วยเนี่ยมันจะช่วยกล่อมใจเราให้สงบแล้วเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นกระแสะใจเสียงกระแสะของใจ ความคิดที่เกิดดับอาการของจิตที่มันเกิดดับเกิดดับมันเป็นกระแสไอกระแสใจนี่แหละนะที่มันจะถ้าเราเห็นชัดเนี่ยเราก็จะพบเลยว่ามันไม่มีตัวเรามันไม่มีตัวฉันอย่างที่เขาบอกเนี่ยไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่กระแสนะไม่มีอะไรไม่มีตัวตน เลยแม้แต่น้อยมันมีเพียงแค่กระแสกระแสของรูปของนามกระแสของตายที่มันคงมันมันต่อเนื่องจนคงรูปคงร่างสมมติกับว่ามันจะคงที่ไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันมันมีความเกิดดับเกิดดับนะัเป็นกระแสนะ ทุกขณะเนี่ยมัน ม, ม, นมีมันมีการตายเกิดขึ้นในร่างกายของเรามีเซลล์ที่ตายมันหนึ่งในประมาณห้าหนถึงแสนล้านเซลล์แต่ว่าที่เรายังคงรูปคงร่างไว้ได้อย่างตอนนี้นยก็เพราะว่ามันมีเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทน <Okay. S 1> เซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดขึ้นรับช่วงสืบต่อกัน mm hmm. ก็มันกระเทียนเนี่ยะเทียนนี่นะนนะมัน เราเห็นเราเห็นเปลวเนี่ยมันดูเหมือนว่าต่อเนื่องในที่จริงมันมันเป็นการสืบท่ดกันระหว่างเปลวเก่ากับเปลวใหม่เปลวเก่าดับไปเปลวใหม่มาแทนที่มันมีความสืบเนื่องนะอันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนอีกเหมือนกันนะเปลวที่เราเห็นให้มันเป็นกระแสใจของเราก็เหมือนกันนะมันก็ที่เราเห็นเหมือนกับว่า ว่าเรามีความโกรธเป็นวันเป็นคืนที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่นะความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นขนาดขนาดแต่มันต่อเนื่องจนเป็นกระแสรเราก็เลยรู้สึกมันก็เราโกรธเป็นวันเลยเราโกรธเป็นเป็นเดือนเลยนะไม่ใช่นะความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดับทุกขณะมันไม่ใช่ทุกวินาทีนะมันละเอียดยิ่งกว่าทุกมันละเอียดยิ่งกว่าวินาทีนะอาจจะหนึ่งในหกสิบของวินาทีหรือว่าหนึ่งในหก หกแสนวินาทีก็ได้ไอเขาบอกว่าเนี่ยมีคนมีคนบอกไอไฟเนี่ยไฟไฟนิออนที่เราเห็นเนี่ยเห็นมันสว่างต่อเนื่องที่จริงมันเกิดดาวเกิดดับเนี่ยประมาณหกห้าิบถึงหกสิบครั้งต่อวินาทีแต่จิตเราเกิดดาวเกิดดับเนี่ยประมาณเป็นแสนครั้งต่อวินาที คือมันทียิ่งกว่าไฟนี่ไฟไฟไฟตามบ้านที่เราเห็นสิ่แต่ว่ามันดูเหมือนว่ามีความดูเหมือนว่ามันเป็นดุ้นเป็นมันมีดูเหมือนว่ามันเป็นอันเดียวกันเพราะมันมีความสืบอเนื่องจากเป็นกระแสมาถึงใช้คําว่ากระแสใจนะ่ยไอถ้าเกิดว่าใจเราสงบเนี่ยนะอาศัยกระแสทานเนี่ยมันช่วยทําให้ใจเราสงบเป็นสมาธิ แล้วเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเวทีที่ทําให้เราได้เห็นกายใจเห็นรูปเห็นนามชัดเจนขึ้นเหมือนก็เวลาเราเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะพินิจพิ จ, จรารณาหรือว่าเราจะใช้เป็นขยายส่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องทําในที่ที่มีแสงสว่างถ้ามันทําในที่ที่มืดเนี่ยก็ไม่เห็นไม่มีทางจะเห็นอะไรไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างที่มันทําให้เรา สามารถจะทำอะไรทำงานทำการอะไรไ ด, ไ, ดได้ดีขึ้นเลยเพราะในการทพ<ำ>ิจารณากายใจรูปนามนะมันต้องใช้ความสึกตัวนี่เป็นเป็นอาตมาใช้คำว่าเวทีนะหรือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญนันก็อยากจะให้เราเนี่ยได้ได้ใช้โอกาสในคืนนี้นะรวมทั้งพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยในการพอนาให้ได้มากที่สุด นั่นก็หมายความว่าเนี่ยถ้าเร า, าเมื่อเราเสร็จกิจกรรมในภาคคำนี้แล้วเนี่ยเราลองอยู่กับความเงียบดูนะพูดกันให้น้อยเพราะาการพูดของเราเนี่ยมันก็จะมันก็จ ะ, ะส่งเสียงที่ดังชัดเจนก็จะอาจจะทำให้ความสงบสงัดที่เร า, าพาากันมาถึงนี้เนี่ยมันมันเลือนหายไปนะอันนี้ก็ ให้เราลองดูว่าในเมื่อเรามาถึงนี่แล้วเนี่ยเราเราลองใช้บรรยากาศที่หาได้ยากนี้นในการที่ดูจิต ด, ดูใจของเราด้วยธรรมเจริญภาวนาคำนี้ก็พูกัท่านนี้นะ